الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه. حنك ا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبشألي صدري ويذكر لي أمري وحل ل و ق د تمل ل س ا ن ي يقه ف قولي. الحمد لله. พี่น้องที่รักสุาพน่าตาและทรงรักและเมตตาทุกท่านวันนี้เราจะมาอ่านอีกสุราหนึ่งอินชาอัลลอ์ะัพร้อมกันสุราทูอัลมัสดหรือสุราตัปทยดครับจะจะอ่านเหมือนครั้งที่แล้วก็คืออ่านพร้อมๆกันอ่านตามพร้อมๆกันอินชาอัลล์ ได้แล้วนะครับ่เห็นหน้าพร้อมใช่ไหมครับพร้อมยังครับมาไม่รู้ยังไงบ้างนะ أ عوذ بالله من الشيطان الرجيم. عوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ب َ س ْ ي ََ أَبِيلَهُ و َ ت َ ب مَا أ غ ْ ن َ ى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا ك َ س َ ب مَا أيَصْلَى م َ ر ْ ن ذَاتَ لَهَبٍ و َ م ْ ر أ َ ت ُ ه ُ حَمَالَةَ الحَطَبِ อิจีดิฮะอับลุมมิมัสด์บิบอาบลุมมิอัลลอฮฺฮะมดุลลอฮฺนะครับอ่าย้อนจาก سور อฮุมัสดซูร้อนีนี่กล่าวถึงประวัติศาสตร์วันนี้เราจะเรียนประวัติสักนิดนึงเป็นประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงการทางานหรือว่าการด่าวะของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัล ที่ผมจะอ่านฮะดิษฮะดิษหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวที่เป็นต้นเหตุที่มาที่ไปของสุรษนี้หรือที่เราเรียกในภาษาอรับว่าอัลบาบุนนุซูลเทพแห่งการประทานสุรษอัลลอฮฺแต่ละประทานสุรษนี้ลงมาทํำไมกล่าวถึงอะไรอัลมาซัดอัลมาซัดนี่หมายถึงเชื่อมะครเชื่อเดี๋ยวับทำไมแต่นในสุรษนี้เนี่ยอัลลอฮฺแต่ละพูดถึงเชื่อ ฟีจ um nah, ีด <ت ص في ق> nah, ีฮะฮั ب ลมิ م ัสตะดะนะมัสตะเราจะเชื่ออัลมัสตะนี่แหละมาตั้งมาตั้งเป็นชื่อสุร a าพนะครับมีเรื่องการนะบันทึกฮะดีบินฮะดีสิบันทึกโดยอิมามบุคฮารีแทนเรื่องการอิบนาบดัสรัยัลลอฮอัฮุม أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فصعد الجبل فنادى يا ب ا ح ا ء فجتمعت إليه قريش فقال أرأيتم إن حدثتكم أن العدو م ص ب ح ك م أو ممسيكم أكن تصدقوني قالوا نعم قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو ل ه ب أ ل هذا جمعتنا ตักบัลัฟนั่ล้ัลลอฮฺตบตียาอบิลาฮฺบวะตบอีลาอัครฮะมีคือฮะดิษที่รื่องนีอิมัมบุฮรีซึ่งพอเราบอกว่ารายงานด้อิมัมบุฮรีเราไม่ต้องสงสัยแล้วว่าเป็นฮะดิษที่ฟฮีแต่ว่าเป็นฮะดิษที่เราสามารถเอามาใช้ใช้อ้างอิงแล้วไม่ต้องไปสืบอีกแล้วว่ามันถูกรเปล่ามันมาอะไรจากนบีหรือไม่ต้องละเขาบอกว่าบุฮรี สคนนะครับที่เราไม่จำเป็นต้องสตืออีกแล้วบุคอคลในสาเหตของท่านเพราะตาราของอิมามบุครีมันไม่ได้มีตําราตัวมันมีตําราอีกหลายตําราที่ท่านเขียนแต่ถ้าหากว่าบอกว่าสาเหต ข, ของบุครีแสดงว่าฮะดิษนี้ไม่ต้องไปเช็คอีกรอบสองไม่ต้องละผ่านละสุลามะเช็คมาเรียบร้อยละว่าเป็นฮะดิษที่ถูกต้องนะครับถ้าเป็นรายงานโดยคนอื่นเนี่ยเราต้องเช็ค ก, ก่อนว่าฮะดิษเนี่ยถูกไหมอ่อนไหม แข็งแรงไหมอยู่ในระดับไหนแต่พอบอกว่าบุคอรีในตัวให้ของท่านรับได้เลย อ, อิมามนาวิบอกว่าตัวให้บุคอรีเนี่ยเป็นคำภีร์ที่ถูกต้องที่สุดหลังจากอัลกอฮอล์อาริสาดด้วยเหตุที่ว่าเงื่อนไขของอิมามบุคฮรีเวลาที่ท่านจะบรรทึกอะดิษเนี่ยท่านมีความละเอียดอ่อนมากไม่ใช่ว่าแล้วแต่ใครบอกอะดิษอะไรก็เอามาจดในหนังสือของท่านหมดไม่ใช่อย่างนั้นมีเงื่อนไขครับว่าคนที่เล่าเนี่ยจะต้องมีคุณอะไร เชื่อถือได้ยังไงถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยความติดก็หรือว่าความแน่เชื่อถือของคนที่รายงานคัดิสในในอิมมัลโมคอรีเนี่ยขนาดว่าปักเสวะยืนท่านก็ไม่รับแล้วคัดิสหรือเดินรองเท้าข้างเดียวท่านก็ไม่รับแล้วคัดิสจากคนคนนี้คือดูดูดูสภาพนิสัยของคนเอาเป็นขนาดนั้นเหลอนะเป็นเขาเป็นเงื่อนไขของของแต่ละคนในการรับคัดิสมันไม่เหมือนกัน ของอิมามบุคอรีเนี่ยละอยียดที่สุดเพราะฉะนั้นขดิษาต่างที่ระบุในซอฮีบุคอรีเนี่ยจะว่าผ่านนะเช็คและอภารชัวร์าจาอัลลอฮ์ฉบับเราจัดแล้จากอิบนอับบาสท่านบอกว่าตอนที่ท่านนาบีสุลว่านลำได้รับการแต่งตั้งจากอัลลอ์สุลตานเาจัดล้ให้เป็นนบีท่านก็ออกไปตะวะออกไปเชิญชวนประกาศสัจธรรมออกไปทิดบัพทะบัทาอาจจะเป็นเขตหนึ่ง ในมักกะไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนแต่รู้สึกว่าบางอัดิสึงจะบอกว่าท่านนาบีนั้นขึ้นไปบนเขาซอฟฟาบางคนใครที่เคยไปมักกะจะรู้เลยซอฟามารัวพอเราไปซอฟาเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะมีต้องขึ้นไปที่เริ่มที่จะเขาซอฟฟาก่อนแล้วก็เดินไปที่มารัวเดินต่อไปที่ซอฟฟ้าใหม่บางหัดิสบอกว่าท่านนาบีนี้ขึ้นไปที่บนเนินของซอฟานั่นแหละอัะดิสนี้บอกว่าประ นะครับอีดับลขึ้นไปบนภูเขายาคบะฮ่าเรียกมาเป็นการเรียกคนที่ว่าอยู่แถวๆนั้นเช้ายาคาบะฮ่าโอ้คนที่อยู่ในช่งชวงเช้าทั้งหลายคบะฮ่คือช่วงช้ายาบ่าคนกำลังจับจา่ายือของกลังุระ่ตัวกัวานอยู่ท่าบก็เรียกมาดลีด ล, ยลยรย พอท่านนบีเรียกอย่างนั้นเนี่ยคนปุริชกหันมามองันมารวมตัวกันเพราะว่าท่านนบีนี้ไม่เคยไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้้พอมีคนเรียกมาอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าต้องมีเรื่องที่สำคัญต้องมีเรื่องมีเรื่องที่แปลกเราไม่เคยเจอมานก่อนก็เลยอแล้วท่านนบีนี่เป็นคนที่มีอามานะเดี๋ยวเราจะพูดดูนะครับท่านนบีเป็นนักสือพูดอะไรแล้วคนคนฟังคนเชื่อถือเพราะฉะนั้นถ้าท่านเรียกเนี่ยแสดงว่าต้องมีเรื่อง ที่อาคนกวรต้องฟังว่าท่านกําลังจะบอกอะไรแต่แล้วท่านก็กล่าวว่าท่านมันบีสลอมองสลัมก็กล่าวว่าอ้าไอ้สมพวกเจ้าจะเชื่อไหมอินฮัดดันเจ้กลมถ้าฉันจะบอกว่าอันลอาดูวมุอบิฮุคุมเอามุมซีคุมถ้าฉันจะบอกว่ามีศัตรูกําลังจะรุกรานนครมักกะฮ์อยู่ มีกองทัพหนึ่งยกทัพมาที่จะเข้าโจมตีมกักกะเช้านี้เย็นนี้แล้วเนี่ยพวกเจ้าจะเชื่อไหมอ่าเราลองคิดดูที่ว่าเขาจะตอบยังไงนะอะขุนตุมุศดีโกนิพวกเจ้าจะเชื่อหรอือเปนะล่าถ้าฉันจะบอกว่าเนี่ยหลังภูเขาเนี่ยมีกองทัพเต็มไปเลยด้วยดาด้วยกำลังจะมาฆ่าพวกท่านกาลังจะมาเป็นการแจ้งข่าวนาวีเป็นการแจ้งข่ า, าวาามันบอกว่า มีคนกำลังจะมาโจมตีแล้วนะต้องเตรียมตัวแล้วนะคนกนะุเรศนะเหล่าบรรดากุเรศเนี่ยก็บอกว่าพลูนาอัาานบอกว่าฉันพวกเราเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยไม่เคยเห็นท่านพูดโกหกทุกคนเชื่อถ้าท่านอับีจะบอกอย่างนี้เนี่ยทุกคนเชื่อหมดเลยอบลาฮับเชื่ออบูอันก็เชื่ออบู้อบูนี่เชื่อหมดเลย เพราะรู้านามท่านนบีก็เลยเนี่ยเป็นวิธีการดะวะท่านอัลลอฮฺในสมัยมัคกัชเนี่ยยุคมัคกัชเป็นยุคยาฮิเลียเป็นยุคคนไม่รู้หนังสือยุคคนที่ตื่นเช้ า, าขาึ้นมาก็มีแต่เล่านะฆ่าลูกหญิงของตัวเองนะขนาดลูกหญิงมันยังฆ่าได้แล้วไม่ต้องไปพูดถึงอย่างอางื่นนะยุคที่ตัดสินกันด้วยดาบด้วยออกด้วยโขน ยุคที่คนไม่มีศิลธรรมจริยธรรมแล้วในสังคมแบบนั้นเนี่ยมีท่านนับีของเราคนเดียวที่อลัลลอกบานอตาลารักษาเอาไว้สภาพของท่านเนี่ยดีมาตั้งแต่เกิดเป็นหนุ่มก็ยังดีโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ก็คือไม่มีนิสัยที่แบบเละเทะเหมือนคนในมักกะเลยอันนี้ทุกคนเชื่อหมดเลยเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นไปได้สูงมากที่เวลา ท่านนาบีบอกว่าฉันจะบอกว่าข้างหลังฉันไม่มีกองทัพจะมาโจมตีพวกท่านเนี่ยคนก็นไม่ทุกคนตืใจเพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยเห็นท่านนาบีทำเรื่องที่มันเสียหายต่อตัวเองเห็นไหมครับแต่พระท่านบอกว่านะท่ะนานนบีได้กี่บอว่าอ l l faiths narrated from the ayat ala azza and jalla ถ้าพวกเจ้าเชื่อพราฉันจะบอกว่า ทั้งหลังเนี่ยมีกองทัพจะมาโจมตีพวกท่านฉันก็จะมาบอกพวกท่านว่าฉันเนี่ยมาบอกข่าวมาเตือนให้ท่านเตรียมตัวระวังตัวเองต่อการลงโทษอันมหันต่อการลงโทษที่หนักหน่วงที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะลจะส่งลงมาสำหรับคนที่ไม่ศรัทธานี่คือข้อสรุปของท่านรอจูลุละลอฮฺอัลลอฮอันแรกนั้นเป็นการเกริ่นนำก่อน เรียกร้องความสนใจแล้กวก็เรียกร้องเขาเรียกว่าเรียกร้องการยอมรับจากคนกุริชก่อนว่าจะยอมรับไหมนะจะเชื่อท่านไหมทัก ฉ, ฉันจะบอกอย่างนี้จอมรับบทยอมรับบทนําแต่พอเข้าไปเนื้อหาสาระจริงนี้เป็นยังไงนะครับคนแรกที่ยกมือขึ้นมาแล้วกัค้านท่านอับดุลลอฮ์สลลันลัมก็คืออาบูละฮับอาบีอาบูเนี่ยเป็นภาษา อา랍เหมือนกันมันเปลี่ยนรูปแต่ความหมายก็คืออันเดียวกันอบูอบีอาบะข้างหลังนี่ยระหับใช้ได้หมดเลยในในอายัดนี้บอกว่าตัดบัตยาอบีละหับตัวที่ของมันเนี่ยจำเป็นต้องหารว่าอบีแต่้ราถูกต้องว่าอบูอบูระหับอบูระหับก็เลยลุกขึ้นมาแล้วตะโกนออกมาตะเบียเสียงออกมาเสียงดังอ้าท่านนบีมุฮัมมัดสุลว่านลำไลยว่า อันนี้ฮะจะมาขึ้นนะตบหลักตบหลักตบหลักนี่เป็นคำอุทธรณ์นะสัตว์อะไรตบหลักอัฮที่เเรามาทั้งหมดนีจะบอกเรื่องนี้เองหรอมันจะมาจะบอกให้ศรัทธาต่อหรอจะบอกตอนแรกบอกว่าเชื่อแต่พอท่านอบีบอกว่าท่านจะมาบอกว่าเจ้านี่จะต้องลงโทษจะต้องถูกลงโทษจากอัลลอฮฺุบฮานะอันนต เพราะการที่เจ้าไม่ศรัทธาเพราะการที่เจ้าที่อยู่ชีวิตแบบนี้อยู่แบบจะให้ยาแบบนี้เนี่ยจะต้องเปลี่ยนตัวเองจะต้องเป็นผู้ศรัทธาจะต้องเชื่ออางค์เนี่ยไม่เชื่อแล้วแล้วกล่าวสบถคําที่มันน่าเกลียดน่าน่าอดสูต่อหน้าเราสุล ล, าาล็อกต่อหลัะล็อกออกไปน้องครับทันทีเห็นไหมนี่คือนี่คือการปกป้องของลัทธิสุภาพของศ า, าลาของท่านนบี Allah ประทานอะไรนี่ไม่ปล่อยให้ท่านนาบีหรือว่ารอซูลของพระองค์เนี่ยตันต้อเพื่อมีคนที่กล้าสแสดงตัวเยโซโ อ, โอหังลำปอต่อคนที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นรอซูลแล้วเป็นคนดีนะรอซูลคนนี้ไม่ใช่ว่าเกิดมาจากนักเกรงแล้วก็กลับตัวไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเหมือนพวกเราพวก เ, เราบางคนในตอนที่เป็นวยรุ่นนี้ไม่รู้อยู่ยังไงแล้วมากลับตัวทีหลังหรอกท่านนาบีไม่ใช่คือดีมาตั้งแต่ อ๋อยังมีคนกล้าพูดอย่างนี้อีก อ, อ, อย่างพวกเราสมมุติว่าในในหมู่บ้านในตูวเราเราเนี่ยเนี่ยดีมาตลอดแล้วสมมุติว่ามีคนมาด่ามาว่าเนี่ยเราจะเราจะช่วยเขาหรือเปล่านี่อ๋อตะลาไม่ปล่อยเลยนะครับก็เลยส่งตัวร็อกนี้ลงมาอ๋อตะลาก็เลยเปิดไทม์ตัวร็อกจัดเปิดเสียจะอ่ะบิตงมากเลย น่าไม่สวยให้หลุดไปเลย a l l h กระตุงอนี้มาเลยตบแต่ที่อาจารย์อับุลลฮับเอืนะเียายินาแล้วมือของอบละฮนแล้วก็การที่เขาเนี่ยไปกล่าวคาตบดคําที่น่าอดอท่านนบัและไม่ศรัทธาตอานา ไม่น่าแล้วมือของอบีลบบบาาอบุลละฮครับนั่ับเบดอบละฮเป็ัวบประโยคแรกประโยคเนี่ยทับบดอบดลละฮครับเป็นการลุกขหรือเป็นการที่ อ, อัลลอฮ น, นั้นสง่งเหมือนกับว่าเป็นการอะไรอะประาศพอ น, นะแต่ปราศกอมันใช้ในทางบวกแต่ในทางลบนิวเรียกว่าอะไรอะสาสแช่งเอาตอละสาสแช่งทับเดอบดละฮับาแช่งอบีละฮบวะ ต้องพบกับความเสียหายและก็ความพินาศคำว่าว่าเช่นคำสุดท้ายเนี่ยเป็นคาบอกเล่าว่ามันจะต้องพินาศจริงๆนะประโยคสามประโยคสามคำแรกนี่เป็นการสาบแช่งแต่คาสุดท้ายเนี่ยเป็นการบอกเล่ายืนยันชัดเจนว่าอบดุลลาฮ์เนี่ยมันจะตายในสภาพที่ไม่สัทธาต่อโลกในสภาพที่พินาศในสภาพที่นะโดนการลงโทษจากโลกสุภาศาสา ท่านอาระเบไม่อานาอันหัมม у, วมัลู ว, ลว่ามาคัตบลระเจ้าอาบดุลฮะขับสมบัติของมบูลฮะเนี่ยก็ช่วยอุมบุลฮะไม่ได้แล้วก็ลูกหลานว่ามาแกสับว่มากสับก็คือสิ่งที่เขาขวนขวายอุลามาบางท่านให้คําอธิบายว่าคําว่าสิ่งที่เขาขวนขวายตรงนี้ก็คือลูกหลานลูกของตัวเองนะมีลูกลูกก็ช่วยไม่ได้แต่วนรนณศาสตร์เนี่ยคนกาเฟึเนี่ย มีเงินเท่าไหร่ก็ช่วยไม่ได้รู้ว่ากี่พันล้านก็ช่วยไม่ได้ลูกเป็นมีตําแหน่งสูงอะไรช่วยไม่ได้ละนะถ้าไม่ศรัทธาต่อ Allah เนี่ยช่วยไม่ได้ a ล l a h บอกนะครับเราก็เหมือนกันนะเราถ้าหากเราทําผิดต่อ Allah ถ้าเราต้องเข้านรกเนี่ยลูกก็ช่วยเราไม่ได้นะเพราะว่าในวันอาคราสเนี่ยนักสีวันนั้นเนี่ยคนที่ทําชั่วเนี่ย ยวดดูมุกรมุลู่ยัฟเตดิ์จากอาญาบิยูมิหินบิบานีและ صاحب สิห์และอัคีห์และตุลิติหินและตุลิตุวีนะคนทำชั่วเนี่ยพระศาลาบอกว่าวันนั้นเนี่ยทิศอัลลอยากจะเอาลูกของตัวเองไปไถ่โทษมาไถยตัวเองทำไม่ได้ครับอยากจะเอาเมียของตัวเองมไถ่ให้ออกจากรอยากจะเอาพี่น้องของตัวเองมาไถยากจะเอาเผ่าพันุ์ของตัวเองมาไถ่ ไปไม่ได so ้แล้วและจะดิรุวาดิโรตุนวิโรขคราวันอัคราเนี่ยบาปของเราก็บาปของเราบาปของลูกก็บาปของลูกไปอเนี้ยเราตละดยืนยันตรงนี้กับบูรพาัดด้วยนะครับว่าแม้อานาญาติมรับสมบัติก็ช่วยไม่ได้อูดก็ช่วยไม่ได้บ้านก็ช่วยไม่ได้ทองก็ช่วยไม่ได้ทั้งหมดช่วยไม่ได้แล้วต้างว่าไม่ได้ใช้ทรัพย์สมบัติตรงนั้น ตอนที่อยู่ในโลกดุ น, ยนียะนี่ไปในทางที่ถูกป้องลกันล็อกผ่านต่างๆว่าณาจักรลูกหลานก็ช่วยไมได้แต่แลเนรองแร้ใช่แล้วับอุบลฮับเนี่ยจะต้องถูกโยนลงเข้าไปในไฟที่มีเพลิงลุกโชนนะคับก็คือมีเพลิงที่ลุกไหม้วันโมะอัสหูฮหัมมาละกัลฮับับแะก็ไม่ได้ลงคนเดียวลงพร้อมกับภรรยาของตัวเอง บางรายงานบอกว่าภรรยาของอบดุลฮะตเนี่ยเป็นเป็นผู้หญิงที่ต่อต้านท่นานนบี ม, มุฮัมมัดมุฮัมมัดสุลต์เหมือนกับสามีของตัวเองเลยสองสามีภรรยาทําทงานด้วยกันนะคนนี้เป็นเจ้านายคนนี้เป็นเลขาแล้วแต่เจ้านายจะเอาอะไรเนี่ยไปช่วยบอบดุลฮะตต้องการเอาอะไรมามาทําร้ายท่นานนบีมาขัดขวางก้นทางนะบางบา ง, บางเรื่องบางบางเรื่องราวในในป่าติศาได้บอกว่า สองคนนี้เนี่ยจะคอยหาหนามหาสิ่งที่ว่าสามารถที่จะทําร้ายท่านนบีไปวางเอาไว้ขวางทางเวลาท่านนบีจะไปะไปตัูเราจะไปมัสกิดีห์หอนะครับเพราะฉะนั้นวันรออาตูหุทำเมลสัลฮะัอในวันอัคราตนี่อัลลอฮฺจะตอบแทนนางเหมือนกับที่นางนั้นทํากับท่านนบีบนโลกนี้บนโลกนี้เนี่ยนางช่วยสามี ทำร้ายท่านนาบีในโลกอาเครัอตอวตารเลาจะให้นางนี่แหละเป็นคนแบบฟืนที่จะไปเผาสามีของตัวเองอลเลจเดมินยินติล้านั้นการตอบแทนนั้นตอบแทนเหมือนกับพฤติกรรมของเร า, าการทำดีเนี่ยเวลาที่เราทำดีอะไรสักอย่างอวอารเลาก็จะตอบแทนเหมือนกับพฤติกรรมที่เราทำทำชั่วก็เหมือนกันนะบางอาบิษบอกว่า ใครที่ฆ่าตัวตายยังไงวันอักคารอาราตอาราก็จะลงโทษอย่างนั้นนะสมมติว่าบนโลกนี้นี่มีคนฆ่าตัวตายด้วยกันดื่มดื่มน้ํายาอะไรก็แล้วแต่วันอักคารนี่ก็จะต้องดื่มน้ำทิพเป็นจังลงโทษแต่ว่ามันจะหนักหน่วงกว่าพิพบนโลกเนี่ยงั้นะถ้าบนโลกอย่างเนี้ยเราตายแบบโดดฆ่าตัวตายสมมตินะครับวันอักคารอาราตอาราตก็จะให้เราเนี่ยขึ้นไปอยู่บนที่สูงแล้วก็โดดลงมาขึ้นไปใหม่โดดลงมาขึ้นไปให ม, ม, ม่เหมือนกัน ภรรยาของอบูละฮับเนี่ยบนโลกลุมยานนี้ทําชั่วโดยการไปขัดขวางท่านนบีแล้วก็เอาของต่างๆไปให้สามีของตัวเองไปไปทำร้ายท่านนบีวันอาครับอัลลอฮ์ต้าราก็เลยให้นางนี่แหละนางจะอยู่ในนรกเหมือนกันแต่ว่าไปแบกฟืนให้กับให้กับสามีไปเผาสามีของตัวเองเขาไมเป็นไบลองนึกภาพดูนะครับเด้ออีลาอีลอฟาะที่จีดีฮะพัดลมมินมาสที่คอของนาง มีเชือกเตรียมพร้อมางบางบางบางราย ง, ง, งานบอกว่าสมัยที่อยู่บนโลกเนี่ยนางคนนี้เนี่ยนางชื่อบังเอิมูจจนี่นะครับโอมูจจนี่คนนี้เนี่ยงานขอ ง, งานางก็คือไปหาไม้ฟืนนะมีอาชีพหาไม้ฟืแนแต่อลาสตาร์ก็เลยทําให้นางอยู่ในสภาพเดียวกันในนรก mm hmm. คือให้มีเชือกเพราะว่าเชือกที่ใช้ ปุ่มปืนของตัวเองให้ไปใช้ปุ่มปืนในนรกเพื่อที่จะเอาไปเผาเอสามีหือว่าผัวของตัวเองอบลลหฮฺละหละอัลลอฮฺอัลเอาะห์นี่คือเรื่องราวในสุระษัทบกษดาทัานท่านที่บอกถึงเรื่องในประวัติศาสตร์ช่วงตอนหนึ่งที่ท่านอับดุลโมฮัมหมัดสัลลัมทำการตะว่าเรือว่าน้ำวะฮิยุมาพี่น้องครับอุลามะบังถัดสรุปสุรษัทบกษดา อย่างมีนัยสําคัญมากคุณรู้ไหมบางท่านบอกว่าซุลฮะนี้เนี่ยเป็นมกยดัตเป็นบทที่สูตนความเป็นนบีของท่านเราซุลฮะซุลฮะนี้เนี้ยพิสูจน์ว่าท่านนบีนี่เป็นนบีจริงพิสูจน์ได้ยัอัลกุรอานี่พิสูจน์ว่าท่านนบีนี่เป็นนบีจริงพิสูจน์ได้อย่างไรพิสูจน์ได้ครับเพราะว่า สุร ah ้อนนี้เนี่ย Allah อาละประการลงมาตอนที่ท่านนบีนั้นประกาศต่อนน้นอบูลหับและอบูลหับก็ประกาศตอนนั้นท่านนบีเลยสุร้อนนั้นก็ลงมาเลยหลังจากนั้นเนี่ยผมถามว่าอบูลหับมีชีวิตอยู่กี่ปีกว่าจะตายไม่ใช่วันเดียวนะปีหลังจากที่สุร้อนนี้ถูกประทานลงมานี่อบูลหับนี่มีชีวิตอยู่เป็นปีถ้าหากสมมุติว่าอบูลหับต้องการที่จะไป พิสูจน์ว่าท่านนบีเนี่ยไม่ใช่รสูนของอัลลอฮ์จริงเนี่ยทำไมอบดุลหับไม่รับอิสลามเพราะตันี้บอกชัดเจนว่าอบดุลหับม่จะตายในสภาพที่เป็นกัฟิรถ้าอบดุลหับต้องการพิสูจน์ว่าท่านนบีเนี่ยไม่ใช่นบีจริงเนี่ยอบดุลหับก็รับอิสลามเนี่แล้วตัวนี้ก็จะนัยความหมายใช่ไหครับแต่ทาไมอบดุลหับไม่รับอิสลาม แล้ตายในสภาพกัะเบิดเนี่ยมันเป็นเครื่องวิสูตรว่าสุรนี้เนี่ยอัลลอฮฺประทานลงมาจริงแล้วท่านนาบีก็เป็นนบีจริงๆก็มีบอกชักเจนอบูลหับนเนี่ยจะตายในสภาพกับเิดและอบูลหับก็ตายในสภาพกัะเบิดจริงๆไม่ได้รับอิลลัตเป็นตักกะง่ายงนุ่งงงหรือป่าต้องเรียบเรียนกักนิดหนึ่ง น, นะครับถ้าสมมติว่าอบูลหับต้องการบอกว่าท่านนาบีนี้พูดโกหก อับูละฮับกรับอิสลามเพี้ยแภรรยาของตัวเองก็รัรบอิสลามเนี้ยุรหนี้เนี่ยก็จะไม่มีความหมายนาบีก็จะเป็นคนโกหกทันทีแต่สุฮานออกอวัลลาตต้องการบอกว่าท่านนาบีนี่เป็นนบีจริงๆอัลกุรอานก็เป็นอัลกุรอานจริงอบูละฮับตายในสภาพที่ตัวเองนั้นไม่สัมผท่านน บ, บีมุฮัมมัดุฮะอัลลอฮ์้ัแตที่สูด ให้กับเราได้หลายอย่างนะครับบางทีในาการที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยเราใช้ชีวิตทุกวันเราทานหลายอย่างเข้ามาในชีวิตของเราจนกระทั่งว่าความเป็นอิสลามเนี่ยมันค่อยๆปลหายไปทุกวันวัวกําลังใจที่เราจะเป็นมุสลิมสภาพการที่เรายึดมั่นกับใจเชื่อต่อรอดเนี่ยมันผดหายไปด้วยปัจจัยต่างๆที่มันรุมเรา้าเข้ามาในชีวิตของเรา แต่พอเราได้อ่านอลัลกรุรอานอย่างนี้เราได้ศึกษารเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างนี้มันสามารถที่จะเพิ่มความเข้มข้ น, นรวกความรู้สึกที่เราจะกลับไปหาอิสลามอีกครั้งได้เพราะฉะนั้นเราอย่ามองสุรัก์นี้แบบผันผ่าว่ามันเป็นเพียงแค่สุรัก์ที่เราอ่านเพื่อรู้เรือรร่องราวในประวัติศาสตร์แล้วงเดียวมไม่ใช่มันสอนอะไรเราอันนี้จือสิ่ที่เราต้องอ่านทุกครั้งที่เราอ่านอลัลกรุรอานเราจะต้องเช็คว่าเราจะต้องหาข้อสรุปให้ได้ว่าสุรักษนี้สอนอะไรให้กับเรา ส่วนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปใช้อะไรเป็นบทเรียนในชีวิตของเราไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราคิดไปถึงว่าอะไรที่เราสามารถทําเชิงรูกประธรรมคือเรียนแล้วก็นํำออาไปปฏิบัติได้จริงอันนี้ดีที่สุดแ เ, เหมือนที่เราเรียนสุรักกุลวรมะฮัตสัปดาที่แล้วนะครับผมไม่ทันได้สอนมไม่ทันได้อา่านข้อที่ท่านนาบีบอกว่าให้เราอา่านสุรักกุลวรมะฮัตเนี่ย ครั Scroll, ้งเช้าเย็นสามครั้งนะครับเช้าสมครั้งเย็นสามครั้งพร้อมกับราอื่นด้วยพร้อมกับราคุลเฟลัดและกับุลอาลบรับดินนะามราเนี่ยให้อ่านพร้อมกันครัมีเดียรนบีบอกว่าตักฟกตักฟกุ สามตัวนี้เนี่ยนทักษิณาคุณละเอียดคุณนบีบอกว่าถ้าใครอ่านสามตัวนี้ทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยมันจะมาป้องหรือว่ามันจะมาทําให้เรานี่พอเพียงละมามาเติมเต็มให้มันเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมาเจอกับเราปัญหาต่างๆที่จะเจอกับเราอุปสรรคต่างๆที่มาเจอกับเราพยันตรายต่างๆที่จะประสบกับเราเนี่ยสามตัวนี้จะเป็นปราการมาปกป้องเราในอีก ف ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم صان صحبة من ا ن نعم، ه ذ ه أقبه بن عامر. صان أقبه بن عامر ويا أقبه لا ت ن س ه ن ولا تبت ليلة حتى ت ق ر ه ا لنا. سامسرك ن ี้ ي ع النبي صان صحبة من ثان وقال: لا تلمندك. และอย่านอนทุกคืนเนี่ยเราอย่านอนจนกระทั่งเราต้องอ่านจามสุรค์นี้ก่อน อันนี้คือคาสั่งเสียของท่านอาบีบุคมาบัติปลอมว่าห่อฉันเพราะฉะนั้นพี่น้องลองทําดูลองลองเริ่มแรกเนี่ยอาจะไม่ไหวทุกคืนอาจจะไม่ไหวแต่ลองเริ่มดูปอกอย่างน้อยที่สุดนะครั้งเดียวในชีวิตเราเรียนอะไรเราทำสักครั้งหนึงลองแล้วก็รองลองอะไรนะ่ลองรักษาสัจธรรมภาพเสียเสรภาพของเราให้มันให้มันมีเป็นประจำด้วยสิ่งง่ายๆมด้วยสุนัขง่ายๆอย่างนี้อิชชาลลอฮฺในชีวิตของเราจะได้มีคุณค่า ในการที่เรานั้นอยู่ภายใต้ขอบการปฏิบัติธรรนั้นท่านนบี Muhammad ศาสดานะครับอะกลู่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่